ชีวิตจะวัฒนาถ้าได้ปราโมทมาเป็นพื้นใจได้บอกไว้ว่าอยากจะเน้นความสุขที่จะใช้ในทางปฏิบัติกันเลยสามอย่างและในสามนั้นอย่างที่สามคือความสุขในการพัฒนาชีวิตความสุขในการพัฒนาชีวิตอยู่ในประเภทของความสุขภายในที่ว่าสร้างขึ้นเองได้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 แล้วเราก็กำลังพูดเรื่องความสุขก็เอาความสุขเป็นจุดเน้นเลยเรียกเป็นชุดความสุขธรรมะชุดนี้เป็นภาวะของจิตจะเรียกว่าสุขภาวะหรืออะไรก็แล้วแต่มีอยู่ด้วยกันห้าข้อพระพุทธเจ้าทรงเน้นอยู่เสมอถ้าใครปฏิบัติธรรมได้ผลก็จะก้าวไปในธรรมะห้าข้อนี้ถ้าใครไปปฏิบัติธรรมแล้ว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 ปัศโนพุทธศา ส, าสนอธิคัเชปทางสันตังสังขารุปสะมมังสุขขังแปล ว, ว่าภิกษุผู้มากด้วยปราโมทเรื่มใส่ในคำสอนของพระพุทธเจ้าจะบรรลุถึงสันตบทที่สงบสังขารอันเป็นสุขอีกแห่งหนึ่งตรัสถึงภิกษุปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมาแล้วก็ลงท้ายว่า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 ก็หวังด้ว่าจะลุถึงนิพพานหรืออยู่ใกล้นิพพานแล้ว 2. ปีติความอิ่มใจปลาบเลื่อมใจพอมีพระโมทใจร่าเริงแล้วก็จะเกิดมีปีติ 3. ปัสปสธิ ความสงบเย็นเรียบเรื่อนใจผ่อนคลายกายใจไม่เครียดพึงสังเกตว่าปัสสถิคือความผ่อนคลายนี้เป็นจุดเชื่อมถึงกันระหว่างกายกับใจถ้ากายเครียดใจก็เครียดถ้าใจเครียดกายก็เครียดพอมีปีติอิ่มใจแล้วปัสสถานี่ก็มา ก็จะสงบเย็นผ่อนคลายสสุขความช่ำชื่นเรื่นใจคล่องใจไม่มีอะไรกดดันบีบคั้นพอปัสสิมาแล้วสุขก็ตามมาหสมาธิภาวะที่จิตมั่นแน่วอยู่ตัว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 การที่จะพัฒนาอะไรทางด้านชีวิตจิตใจก็เป็นไปได้ดำเนินไปได้ด้วยดีเป็นอันว่าในการพัฒนามนุษย์ต้องให้จิตใจมีคุณสมบัติสำคัญ5อย่างนี้เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นการเล่าเรียนศึกษาหรือการทำงานต้องให้ใจมีภาวะจิต5้าอย่างนี้จึงจะเดินหน้าไปด้วยดีการพัฒนาชีวิตหรือการปฏิบัติธรรม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 พอมีปราโมดแล้วธรรมะอื่นก็เข้ากระบวนมาปิติเป็นต้นก็เกิดด้วยในข้ออื่นก็เหมือนกันเราไปช่วยคนที่เขามีความทุกข์ด้วยกรุณาพอเห็นเขามีร่างกายดีขึ้นหายเจ็บหายไขย้หายป่วยสบายขึ้นเราก็เกิดมีปิติอิ่มใจแล้วข้ออื่นๆรวมทั้งความสุขก็มา ที่นี้เมื่อเราเป็นคนมีปราโมดร่าเริงเบิกบานอยู่เสมอมีปัสธิไม่เครียดใจเรียบรื่นผ่อนคลายตลอดเวลาอยู่ที่ไหนอยู่กับใครก็ทำให้บรรยากาศดีใครพบใครเห็นใครพูดจาด้วยเขาก็สบายใจลอยเป็นสุขตามไปเราก็กลายเป็นสื่อ น, นาคุณธรรมและความสุขให้มีให้มาแก่คนรอบข้างได้ง่าย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 ก็จะเดินเมตตาไปด้วยถึงแม้ไม่ปรารถนาหน้าตาก็จะอิ่มเอิบงดงามแถมมากด้วยมิสหายที่ร่วมมือร่วมใจอยู่กันอย่างสุขสันต์อีกทั้งชุมชนและงานการก็จ ะ, จะเจริญงอกงามไปด้วยพร้อมกันถึงตรงนี้ได้พูดถึงความสุขผ่านมาแล้วหลายอย่างทั้งการมาสุข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 เนี่ยหละที่เอาสินห้ามาคุมก็บอกให้รู้ว่าความสุขประเภทนี้ต้องอยู่ในความควบคุมให้คอยดูแลกันไว้ส่วนความสุขทางสังคมเป็นการให้หรือเอื้อความสุขแก่ผู้อื่นแก่สังคมจากใจของคนที่มีเมตตาการุณาเป็นต้นที่อยากให้อยากเห็นคนอื่นเป็นสุขจึงเป็นความสุขด้วยกัน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 ก็มีแต่ส่งเสริมความดีงามความเกือ้อกูลดังนั้นความสุขสองอย่างหลังนี้ตรงข้ามกับการบันรอนเบียดเบียนกลับเป็นความสุขที่เกื้อหนุนชีวิตและเกือ้อกูลสังคมมาช่วยหมู่มนุษย์ที่อยู่กับกรรมสุขทั้งในทางผ่อนเบาบรรเทาโทษภัยจากการเบียดเบียนกันให้หันไปใช้กามโภคะในทางที่เกือ้อกูลกันอยู่ร่วมกันให้ดีได้